ปฏิบัติให้เกิดนี้ให้เนไปในตนี่วนต่อไปเป็นที่ควรสนใจและควรศึกษาให้เข้าใจนั้นควรปฏิบัติให้เกิดนี้ให้เนไปขึ้นในตนนั้นคืออะไรเหตุสงศึกษาหนึ่งการรับ รียรยสมาธิกาคือการรักษาใจของอเป็นไว้ให้ตั้งมันญญ่นปัญญากาคืออรมปัญญาของเป็นให้รอบรู้ใกองสั ง, งขา น, นีเป็นสิที่ช ส, น, สนใจชวนศึกษาชปฏิบัติ ไห้เกิดเป็ น, นเส้นเป็นสมบัติของตนศิกษาทั้งสามเป็นสึงทจศึกษาให้ตัใจน้ก็คืออาริยมักทป็นแปะประการน้เองในอาริยมักปฏิปทาทางนี้องแปะประกการนั้นก็คือจริง ศึกษาสมาธิศิกษาปัญญาศึกษานี่สิศึกษาในอริยมรรคนั่นคือว่าจะชอบหนึ่งารงานชอบหนึ่ ง, เ ร, ง, ง, งเรียนชอบหนึ่งนี่ท่านสมเคราะห์ลงในศิ่งศึกขาเรียนชอบหนึ่งรักเลิกชอบหนึ่งตั้งใจไว้ชอบหนึ่งนี่ท่านสมเคราะห์ เข้าในสมาธิศึกษาความเห็นชอบหนึ่งดำดิชอบหนึ่งนี่สมเพาะเข้าในปัญญาศึกษาสรุปแล้วในอริยมรรคปฏิปทาทางประกอบโวยองค์แตประการนั้นก็คือสิ่งศึกษาสมาธิศึกขาปัญญาศึกษาเองทรองเข้าใจ ในเรื่องต้นท่านให้ศึกษาศึกษาเสียก่อนสศึกษาทีาทื่จะต้องศึกษาหรือสนใจให้เข้าใจนั้นเป็นอย่างไรท่านแสดงเลยย่อเพื่อให้เข้าใจง่ายศูนเมื่ยย่นลงกมีสี่ประเภท เอเมปาติโมกสังวรสิงสังเรือนในพระปาติโมกเรื่ข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามทำตามที่ข้อพระพุทธเจ้า อ, อนยญาตและสันติเนื้เลือกว่าปาติโมกสังวรสิงสังอินทิสังวรศิง กยทั้งเวอมอินโกยทั้งหกโยทั้งมตาทั้งเมเหงือกทังวอมจมูกสังวอมลิ้นสั้งเวอมกายแหละทังวอใจในเมื่อเวลากระทบรูดเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมรมนี้ให้ยินดีมันร้ายนี้ให้หลมไหล ขึนก็ไปตามอารมณ์ที่มากระทบทางตาทามหูทางสมองทางลิ้นทางกายทางใจนั้นให้เป็นเพื่อในสติพระคองตั้งไว้ที่ใจรู้ตัวอยู่วางใจเป็นให้เป็นกลาง เราไม่เตืตขามัธยัตินกลางๆด้วยความในสติประความตั้งว้ายข้ใจนีเรียกว่าอินทตังบวรสิ่งตามอาชีวภริสุทธิสินงประพุตตนเลี้ยงชีวิตโดยเป็นธรรมเล่นจากสิ่งที่เลี้ยงชีวิตขึ้นม การเลี้ยงชีตเป็นพันี้ย่อมนำมาสร่งความบริสุทธิ์แห่สิ่งการเลี้ยงชีวิตในทางสีวิตย่อมทำลายสิ่งตัปัจจัยสันมิกจิตสิ่งหรือพรังาปัจจัยสี่โดยีวนลิขบาทเตนาสนะจีวรณะเทื่อจัดยาแกโรค จะให้เป็นปริโทษของบนในปัจจัยสี่ในราษฎกละตามีตามได้ตามเกิดตามเป็นให้เป็นผู้มักน้อยสันโดษินดีในความมักน้อยในปัจจัยสี่ไม่บริโภคปัจจัยสี่ด้วยปัญหาคือความปรารถนาความรับความข้นขวอย ความมากๆความโลเลในปัจจัยสี่ต้นเหตุให้ปริโภคกังวนขวันขวายวิ่งเต้นแต่สายหาในลากสักระในปัจจัยสี่นั้นให้เป็นทีู่่ในความมากน้อยสันโดษามู้จมได้จมเกิดจมเป็นเมื่อได้จริงได้มาโดยความชอบธรรมก็อ บริโภคไปจะตรงของที่ต่ำหรือปานกลางหรือตอะนกีก็ตามได้มามากน้อยอย่างไรก็ตามถ้าได้มาโดยสอดทำแล้วซึ่งสองเป็นเดงนได้ก็ทำความยินดีบริโภคก็ตามมีตามได้ไม่จนที่แสงหาและบิ้นลมสงขไวในปัจจัยสี่ให้เป็นกอ ง, ลงบล ปัดความลเรลยในปัจจัยทั้งสี่ไม่ให้เป็นปภาธะกังวลแก่ตนของตนปัจจัยสันนิสฐานในท่านให้พิจารณาปัจจัยทั้งสี่ตัดความปภาระกังวลในปัจจัยทั้งสี่นั้นนั่นเองและปัจจัยสันสสนิษฐานี้ให้พิจารณาปัจจัยทั้งสี่ก็ ถ้าอาหารที่อยู่ที่อาศัยยาเจรคไฟชีจิตปัจจัยทั้งหลายเหล่านี้จนแต่เครื่องเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันเยียวยาชีวิตบำรุงชีวิตให้เป็นอยู่เพื่อเจริญสมณธรรมเทานเพียงเท่ า, ท า, ท น, า น, ทนี้นให้พิจารณาเห็นว่าเป็นของมาเที่ยงเป็นทุกข์และเป็นมน้า ต, ตาตายไปแล้วเอาไปดุเอาไปด้วยไม่ได้พรมไว้ประกาม ปัจจัยภายนอกคือผ้าอาหารที่อยู่ที่อาศัยยาแกโรคภัยทั้งหมเตินของอาศัยเพิ่มกันและกันกับปัจจัยภายในปัจจัยภายในสี่ตัวของเรานี่ก็อาศัยปัจจัยภายนอกจึงจะอยู่ได้จึงจะมีชีวิตอยู่ได้ทั้งปัจจัยภายในยและภายนอกนี่พิจนารณาให้ ผมเป็นธาตุสมมติมาจากชาตุทั้งสี่คือชาตุดินชาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมนั่นเองเรียนาลงให้เห็นเป็นธาตุทั้งสคือธาติดินชาติน้ำธาตุไฟธาตุลมย่าให้เห็นว่าเป็นสัตุเป็นบุกคลเป็นตัวเป็นเราเขาย่าให้เห็นว่าเป็นธาตุหรือเป็นอาหารหรือเป็นที่อยู่ หรือเป็นยาแก้โรคไฟขจิตให้เห็นว่าเป็นธาตุขจิส่วนปัจจัยภายในใร่างกายของเราก็ดีเพิ่งเติมเป็นที่อาศัยเป็นของอาศัยปัจจัยภายนอกก็พิจารณาให้เห็นว่าเป็นธาตุทั้งสี่โดยที่นาเห็นเป็นธาตุเป็นขาดน้ำธาตุไฟธาดลมจะเห็นเป็นตัดเป็นบุคคลเป็นตัตนเราขาแท้ที่จรง เมื่อว่าโดยที่แท้จริงในร่างกายของเรานี่แต่ละด้วนแล้วระตอบไปด้วยธาตุทั้งสี่ทั้งหมดตงมี อ, อยู่ในกายของเราท่านทั้งปววจะพ้นไปธาตุทั้งสี่จะพ้นไปจากธาตุทั้งสี่นั่นหนาไม่ได้เลยฉะนั้นปัจจัยสังคติสินินท่านจะให้เมตตินอมเข้ามาถึงยะนา ปัจจัยท right? ี่กายของเราเนี่ยอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกติให้เห็นเป็นธาตุทั้งตัวเกยธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่าให้เห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นตัวตนเราเขาตรงที่เป็นธาตุดินก็มีอยู่ในกายของเราเนี่ยสิ่งที่เป็นธาตุน้ําก็มีอยู่ในกายของเรานี่ยสิ่งที่เป็นธาตุไฟก็มีอยู่ในกายของเราเนี่ ลมที่เป็นชาตุลมกันนี้อยู่ในกายของเราเนี่มันไม่มีที่อื่นรมที่เป็นธาตุลมซึ่งอยู่ในกายของเราสั้นทั้งสองนีมม้คืออะไรคือสิ่งที่ข้นแข็งแล้วแก่ผมขนและบวานหนังเนื้อเอ็นกระดูก เบื่อในกระดูกม้าหัวใจตับว์ฟังขื่อไตปอดใตใหญ่ไตน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเบื่อในสมองศรีรษะยี่สิบอย่างนี้เป็นธาตุดินเป็นที่ดินเนล้วนมันไม่ใช่อะไรเลยมันเป็นดินเป็นที่ดินเป็นล้วนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขาวมันเกิดจากที่ื่น ส่วนสิ่งที่เป็นธาตุน้ํำก็ไม่อยู่ในกายของเราท่านทั้งกลวงนี้คือน้ำเบน้ํำทะเดน้ําเหลืองน้ําเลือดน้ําเหง้อน้ํามันก้นน้ําตาน้ําันเหลวน้ําลายน้ํามูกน้ํามันไก่ข้อน้ำมดคือน้ําเลี้ยวองค์ดังนี้ก็ไม่อยู่ในกายของเรานั่นไม่ใท่เหัวมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราเขา มันเป็นธาตุน้ํำมันเป็นน้ำจริงๆทีเดียวและน้ําเหล่านี้ก็ไม่ใช่น้ําที่ใสสะอาดหมดอะไรแต่น้ําที่สกปรกโสโครกตอนของก็ติโกนขึ้นเกลี่ยนิ้แต่น้ําเน่าน้ําหนองน้ําเหลืองน้าเลือดเมื่อออกจากร่างกายของเราแล้วจะอาบจะเงจะดื่มจะกินก็ไม่ได้จะซักพวกอะไรก็ไม่ได้ หนูจะเกลียดไปทางด้วยกันเท่งนั้นน้ำมันไม่เจอที่ไหนล่ะมันก็ไม่เจอที่กายของเรานี้ยเท่านั้นธาตุน้ําเหล่าเนี้ยน้ําเลน้ําเสด็น้าเหลืองน้ําเลือดน้ําเหมือน้ำมันค้นน้ําตาน้ําเเหลวลำดายน้ำมูกน้ํามันไข่ข้อน้ํามืดมันสะอาดไหมมันเจ๋อมั้ยมันงามไหมมันหอมไหม ตอนที่นาฤทีชาตเหล่านี้แต่และเลอนแล้วเป็นของสกปรกโชกโกเป็นของปฏิจจุตจมนเกลื่อนเลือกกานทานโผล่ขึ้นเป็นภาพไปมันก็มีอยู่ในายของเรานี่ปนไปยังกายให้อบอุน่นไปยังกายให้เร่าร้อนกระวนกระวายไปเผากายให้เหี่ยวค้าค้าแสือทะแลสลาก ไฟเผาอาหารหาย่อยตัวอย่างนี้มันก็เป็นธาตุไฟเป็นไฟนี้อยู่ในกายของเรานี่ยงานตรงที่เป็นธาตุลมก็มีอยู่ในกายของเราคือลมพัดขึ้นเรื่องบนลมพัดลงเรื่องล่างลมพัดไปตามตัวลมพัดอยู่ในเส้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกตัวอย่างนี้มันก็เป็นธาตุลมเป็นลมล้วน มันไม่ใช่อะไรเลยมันก็เป็นธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเองในร่างกายของเรานี้ทั้งหมดทั้งกรอนทั้งแฉ่งเมื่อแยกแบ่งออกแล้วมันก็เป็นธาตุทั้งสี่นั่นเองส่วนหนึ่งเป็นธาตุดินส่วนสอเป็นธาตุน้ําส่วนสามเป็นธาตุไฟส่วนสี่เป็นธาตุลมเมื่ท่านให้มี้สติทิจณาอย่างรู้อย่างเห็น ตามเป็นจริงอย่างนี้งนท่านผู้มีสติปัญญาเข้าไปยังรู้ยางเห็นตามเป็นจริงอย่างนี้ท่านจึงประกาศให้ทราบตามกันจริงว่าในร่างกายของเรานี้เต็มไปด้วยธาตุทั้งสี่ธาตุมัตะโกมันเป็นธาตุเออเป็นธาตุดินเป็นธาตุน้ําเป็นธาตุไฟธาตุดมนิตตะโตมันไม่ใส่สัตว์ไม่ใส่บุคคลไม่ใช่ตัวตนเราข้า เี่โบมันม่มีชีวิต้าตุมันมีชีวิตมันตายแมนมันดับไม่แเนลี่ยนขุนยมขุนยมมันว่างจากสัตว์ว่างจากบุคคลว่างจากตัวตนเรขาวว่างจากนิยมสมมุติและบัญญัติว่างจากสัตว์และสังขารโดยประการทั้งปวงว่าสัตว์ว่าบุคคลว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาก็ว่าเอาสมมุติเอาบัญญัติเอา ว่าชายว่าหญิงก็ว่าเอาว่าผมขนและฟันหนังเนื้อก็ว่าเอาอันที่แท้ที่จริงแล้วก็คือธาตุทั้งสี่นั่นเองมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตวนเราเขาแม้ธาตุทั้งสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ว่าเอาสมมติออกอันที่จริงมันเป็นอะไรมันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันไม่โยกอยู่อย่างนั้นตั้งอยู่ตามหน้าที่ตั้งอยู่ตามปกติเทนั้น และถ้าทั้งสี่นี้มันก็ไม่มีความรักใครชังใครไม่มีความหลงรักหลงชังชใครมันไม่รู้ว่ามันสวยมันงามมันตกตกอย่างไรแตงว่ามันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกติของมันงานเราต้องมีสติพิจารณามารู้เห็นตามมันจริงสิอย่าพากันมัวเมาสิอย่าพากันหลงเดิมสิ เมื่อพิลาเห็นว่าร่างกายของเรานี้ประกอบไปด้วยธาตุทั้งสีอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกติแล้วคือเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอย่างนี้และจิตใจมันจะเกิดความรักความกนัดความมดีแต่ที่ไหนใจของเราก็เป็นปกติเข้าน้าแดงลงจนศีลเท่านั้นขอเทฉะนั้นศีนท่านจึงว่าปกติของใจ เมื่อใจเป็นปกติสงบแล้วกายก็เป็นปกติวาจาก็เป็นปกติเมื่อกายวาจาใจเป็นปกติเป็นสินอย่างเนี้ยเนี้ยกายวาจาใจของเราก็เป็นสู้บริสุทธิ์เป็นสินพนันตั้งอยู่ในสินพนานกายก็เป็นสินวาจาก็เป็นสินใจก็เป็นสินพนานนื้สินศึกษาเป็นสิ่งที่ควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจ และเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติให้เกิดทนมีให้เป็นไปในตนของตนอืมใจของเราจึงจะสงบเองจะเป็นปกติเมื่อความสงบมีแล้วความสุขก็มีขึ้นเท่านั้นนั่นเองจะเป็นสมาสิในความตั้งใจมั่นไม่หวั่นไหวเท่านั้นต่อโลกกระทำเพรเราพิจารณาด้วยสติปัญญาแยบคายอย่างนี้ รู้เห็นตามเปนจริงอย่างนี้มันจะไปวันไวโยกพรุ่นวุ่นวายอะไรกับโลกีนึ่งสิสีประการเออพรติโมกสังวาราสินสังรวมในพระปฏิโมกเว้นข้อที่พระพุทธเจ้าห้ามท้ำตามที่พระองค์อนุญาตสิสีทั้งวรสินสังรวมินึ่งสี่สังหกเออสังรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ไม่ให้ยึดดียันายในเวลากระทบรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสและธรรมลมให้วางใจเป็นกลางด้วยความมีสติประกองไว้ที่ใจของตนอาชิวะกเรศุธิเส็นเลี้ยงชีวิตของตนในทางที่ชอบเว้นจากเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดปัดใจสันนิติาิเสนถือเจนาปัดใจทั้งสีส่เนี้ทั้งภายในและภายนอกให้เห็นเป็นภาพ ทั้งเศษคี่ธาตุเดนธาตุน้ำธาตุไฟถล่มในเรื่องของเศนเป็นสิ่งที่ควรสนใจและเป็นสิ่งที่ควรศึกษาให้เข้าใจและเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติให้เกิดทนมีให้เป็นไปในกายในวาจาและในใจของตนอย่าพากันประมาทเึงเมื่อบุคคลปฏิบัติไปแล้วท่านว่า ทำให้เกิดพิเนื้อขึ้นแล้วปฏิบัติไปแล้วมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่นานมาเมื่อบุคคลปฏิบัติศีลให้เกิดพิเนล้วดีแล้ ว, มลวสมาธิความตั้งใจมัน่นย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ถ้าศีลไม่บริสุทธิ์สมาธิมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าสมาธิเกิดขึ้นไม่ได้ปัญญามก็เกิดขึ้นมาได้ถ้ามันมีศีนสมาธิปัญญาแล้วมันจะรู้เห็นสัจธรรมอย่างไงงานมานเป็นอย่างงั้นมีศีลศึกษาเป็นสิ่งที่ควรศึกษาและปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตนของตนเศรษฐกิการรักษากายวิชาให้เรียบร้อยกล ม, มโยที่ กายของเราเนี่ยวาจาของเราเนี่ยเห็นท่านสมายถึงความเจตนาความบริรัตมนั้นจากสิ่งที่เป็นชั่วจากความชั่วท่านนั้นแดงพระพุทธเจ้าตัดแกพิกสุทธิ์ทั้งหลายว่าเจตนาหั่นิกเวปาปังว ด, ดานิโลกันพิสุทธิทั้งหลาย เราตาว่าความเจตนานนละแอะเป็นตัวบาปคือเป็นบาปบาปไม่เกิดขึ้นจากที่อืน่นเกิดขึ้นจากความเจตนาความเจตนานี่เป็นตัวบาปใหญ่ที่สุดถ้าเจตนาน้อยบาปก็ตัวน้อยถ้าเจตนาปานกลางบาปกปานกลางถ้าเจตนาใหญ่เย็นหนักบาปก็ตัวใหญ่ก็ยิ่งตัวหนักดังนี้ เพิงเข้าใจเจตนาหางคิดเวปุญญงวดามิดูก่อนสืบสุดทั้งหลายเรากล่าวว่าความเจตนานั่นแหลเป็นตัวบุญถ้าความเจตนาความอย่างลงความถือเอาความเชื่อความนองใสน้อยตัวบุญก็น้อยความเชื่อก็นองใสความเจตนาเจาะจงบำเพ็ญผลงามคนก็ดีให้เกิดเมเรื่นพอปานกลางตัวบุญกับพอปานกลาง ถ้าความเจตนาดึงเฉพาะลงไปหนักแน่นในทางบุญในทางในทางการศึกภาวนาเจเริญนสมถะพัฒนากรรมฐานให้รู้เห็นตามมจริงในสัจธรรมความเจตนาหนักแน่นว่าบุญตัวกุศลก็ใหญ่ก็หนักก็แน่นแฝงดี เจตนาหางคิดเวกัมมังวดานี้ดูก่อนที่สุดทั้งหลายเรากล่าวว่าความเจตนานแน่เป็นตัวกรรมคือกุศลกรรมได้แก่บุญอกุศลกรรมได้แก่บาปซึ่งเป็นสังขารศาสตร์ทั้งหลายที่เกิดมาดีทั่วเพราะเหตุแห่งกรรมสามผู้จาแนกแจกตัดให้เร็วและดีให้ชั่วและประเสริฐศาตร์ทั้งหลายที่เกิดมาจะเป็นผู้ เร็วดีชั่วประเสริฐเพราะชาติกุลและวิชาความรู้ของตนต่อหาไมา่แต่จะเป็นผู้เร็วชั่วดีประเสริฐเพราะกรรมคือการกระทําของตนต่อพฤติบัติของตนทนานนานเรื่องว่าความเจตนาในแดเป็นตัวกรรมเจตนาหางชิกเวยิลังวดามิดูก่อนทิกุทั้งหลายเรากล่าวว่าความเจตนาในแดเป็นตัวศีล เจตนาวิรัติกดเว้นจากสิ่งที่ชั่วและสิ่งที่ชั่วสิ่งใดที่เป็นบาปทางกายทางวาจาและทางใจถึงเจตนาวิรัติงดเว้นออกกายกดเว้นการฆ่าสัตว์งดเว้นรักทรัพย์งดเว้นประพฤติผิดมิตรชักามวาจางดเว้นพูดปดกดเว้นพูดส่อเสียดงดเว้นพูดคำหยาบงดเว้นพูดคำื่อเจริญหลายใจงดเว้นจากอกุศลธรรม โงดเว้นจากความโลภโงดเว้นจากความโกรธโงดเว้นจากความหลงให้ใจลงสู่ปกติเงยจึง เ, เรียกว่าสินคือความเจตนาโงดเว้นจากสิ่งที่ชั่วเมื่อโงดเว้นจากสิ่งที่ชั่วตัวพวกเราทั้งก้อนทั้งแพร่ทั้งกายทังวาจาทั้งใจก็เป็นสินเท่านั้นในสินมันไม่เยอะเนี่ยไม่ไม่เยอะเท่เทอาทงข้าวใจ นานเนท่านให้ศึกษาควรสนใจควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจควรปฏิบัติให้เกิดธเนรเคนในตนของตนในกายในวาจาและใจของตนนานเนียเรื่องของศีลสิกขาเรวนสมาธิศึกขาคือความตั้งใจมั่นนัานเมื่อเราเป็นผู้ประพฤติบัติศูนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไปแล้ว ทางกายทางวาจาและทางใจต อ, ตอนนั้นเราเพิ่งเจริญสมาธิให้เกิดจะมีขึ้นนั่นอันสมาธิที่จะเกิดจะมีขึ้นความตั้งใจไว้ชอบที่จะเกิดจะมีขึ้นนั่น <c oughs> ก็ต้องคำร็จมาจากศีลมะเดงถ้าไม่มีเสียนแน่ใจ มันก็ไม่เป็นสมาธิได้เนี่ยถ้าผู้รักษาศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์เลยสมาธิคือความตั้งใจวายชอบก็มีอาลัสง่ญ่มีผลใหญ่จิต ใ, ใจที่เป็นสัมมาสมาธินั้นทานแสดงไว้ว่าวิจิตเเวตามเมหิวิจจะอาุตามเลหิทามเมหิ เธอเป็นผู้มีจิตปราจากแล้วจากกามรมรลมทั้งหลายการมรลมคืออะไรคามคือความมัวเมาคือความรักคนต่างความรักคนต่างมรวมอยู่ที่ไหนมันรวมอยู่ที่ใจนั่นอารมณ์ต่างๆมันลมเข้ามารูปมันจะ <c oughs> ลมเข้ามา เสงมันก็ลมเข้ามายินก็ลมเข้ามาลิ้นก็ลมเข้ามากายก็ลมเข้ามาใจก็ลมเข้ามามันลมเข้ามาที่ใจของเราเนี่ยที่ตาที่หูที่จมูกที่กายที่ใจของเราเนีที่ลิ้นที่ใจของเราเนี่ยลมเอาความรักความชังความกำหนัดความพุ่งพื้นเหว๋มหลงในความรักความชังนั่นเองในการมันลมอยู่างเนี่ยมันลมที่ใจของเราอ่ะให้ล่มหลงอยู่างเนี่ย อาเกิดความรักความพอใจความรักใครอยู่ในโลกในอารมณ์มนเนี่ยมันรมมีจิตใจของเราเนี่ยนี่นะเมื่อเป็นผู้เห็นโทษในเรื่องของตามอารมณ์อย่างนี้ก็ตัดตามออกได้สิ่งที่เป็นค่าสิทแก่สมาธินั่นก็คือเรื่องของกามพนันนอกจากตามแล้วมนันมีอะไรที่เป็นค่าสิทแก่สมาธิเรอความตั้งใจวายซอก แแห่ทีใจไม่ตั้งวายชอบนั้นเพราะเรื่องของตามเนี่ยกามนี่เป็นข้าศึกแก่สมาธิอย่างร้ายแรงที่สุดผู้ที่จะต้องการใจของตนให้เป็นสมาธิต้องพิจารณาโทษของกามเสียก่อนที่โทษของกามดสียก่อน น, น่นยังจะรันสมาสมาธิต่อไป น, น่าน เฮียนาตามให้เห็นโทษของกามตามเพื <c oughs> ่ออะไรคือความรักใคร่ความพอใจในโลกความมโเอาในโลกอันนี้แหละเป็นเรื่องของกามเฮยนาหเห็นโทษมันทือความรักใคร่ความพอใจในโลกเนี้ยแต่นั้นท่านจึงยกเรื่องของกามนี้คือโทษของกามนี้ว่าอัปปัส ฐ, ฐากามา ตามนี้นี่จะจะทําให้เศร้าให้หมองจะกระทาให้ของใส่มาดว่าน้อยหนึ่งนั้นก็หาบไม่ได้อจุกกลางกระรูประมากามนี้เหมือนร่างอจุกคือกระดูกแรปรปรวนไปจนอื่นไม่เจรงญยังยืนไม่เที่ยงแท้สัติโนโกรประมาการนี้เปรียบเหมือนคบแฝกคบผ้าอันบุคคลจุดไปแล้วถือไว้สวนลม มือแต่ลมจะกำจัดฝัดเป่าให้เผ่าผานเวกร้อนหมนไนม้หมอนมัวหมองมัวอยู่เนเมืองมิรู้แล้วอังคารตาสูปมาตาม น, นี้เปรียบเหมือนหลุมทาน์องอันยิ่งใหญ่ด้วยอาจว่าร้อยกองเขาผานสัดทั้งหลายให้ลิ้นรนอยู่ในกองทุกยิ่งนักสุกีนกูปมาตาม น, นี้เปรียบเหมือนด้วยความฝัน ด้วยอาจว่าแปรปวนไปตป็นอืน่นไม่กิรังกันยืนไม่เที้ยงแท้ไม่แน่นอนไม่คงทนทุกขาวันไม่สัตว์ไม่ททไมรจริงธรรมดาความฝันใครๆก็ต้องฝันเพราะนอนและจะเอาความจริงกับความฝันมาได้แม้เรื่องของตามก็เช่นเดียวกันมันรักโน้นมันทางนี้มันอยากโน้มมันอยากนีนนกนนกนน้จ้เอาตามชอบอมสมความปรารถนาะตามความอยากตามความรักตามความชอบของตนนั้นไม่ได้ เหมือนกับความฝัน ง, งานยาจีตะกูประมาตามนี้เปรียบเหมือนด้วยของยืมผู้อืน่นมีความแปรปวนอยู่เป็นน็ดไม่จรังอย่ยังเงย็นช่วนนิดห น, หน่อยลุกภาพา ร, รูประมาตามนี้นี่แจจะกระทาให้เกิดการที่บตรต่างๆเป็นต้นวา่าหักและทำลายเสียซึ่งอวัยวะน้อยใหญ่ทั้งตวงเปลือกเหมือนผลแหง่งพฤกศาสอันบังเกิดไปแล้ว และเป็นเหตุให้บุคคลทั้งหลายหั ก, กิีงการรานใบแห่งกิจการมาน้นให้สิดนหายการนี้มีความเดือนเดือดมากมากกะเลยความเดือเือมากก็เลยมากก็เลยเดือดเด้วยไทยมากก็เลยขดันไรต่างๆนานาบางปายาชาการนี้แค้นมากมากก็เลยวความขัดแย้งมากก็เลยมากก็เลยความซึ่งอื่นอะไรทุกโตกโต๊ๆๆไท โ, โลกการรู้จงของัณหาเล่าจำควงมเชื่อชาลามกะตะกตะโตยิ่งนักยมโมการรู้งของชาวบ้านชาวมุสมเป็นสิงให้นสงที่ให้เกิดพศกชาคือให้เกิดในกาเนิดสี่ในสติห้าให้เกิดในพทั้งสามคือการพรู้พบรู้พให้เกิดในวิญ ญ, ญาณสีปีเจ็ให้เกิดในสตวาดเจ้าให้เป็นทุกข์อยู่ร่ไปไม่มีที่สุด การนม่เป็นตัวเหตุตัวปัจจัยเป็นตัวกำบัดกิเลสวัดให้เกิดทุกข์อยู่ร่าาําไปไม่วัศด ส, สงสารไม่มีที่เชื่อถือหาต้นหาปลายไม่ได้โกทุกข์ฉนัโกการนม่เป็นของผู้ทุชนคนมีกิเลสหนาปัญ ญ, ญาอยากเป็นเป็นของคนอันธ า, านเป็นของคนโล่เขาเบ่ปัญญาเป็นของคนหลงเป็นของคนขาดสติ ป, ปัญญา อนาพิโกาเม่ไม่ใช่จริงจะไปจากข้าศึกทุกขิดเดชไม่ใช่สมบัติของพระอริยะเจ้าผู้ท่านออกไปแล้วอนัคทะสันวตโตกาเม่ไม่มีประโยชน์เลยไม่ทําให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชบุคลคลผู้อื่นบุคคลนีจใจจะตระเวนถ้าเกิดโทษทุกข์ภัยอันตรายสหายทั้งสว ง, งทั้งแก่ตนและแก่บุคลคลผู้อื่นการเม่เป็นสิ่งที่น่าข่มนะข่มน่าเจงนาตัวน่าเมือ่อหน่ายยิ่งนัก เมื่อท่านให้พี่นาโทษสองกรมสมมาส ม, มาธิใจต้องจะเป็นสัมมาส ม, มาธิความตั้งใจไว้ชอบบุคคลผู้ใจเป็นสัมส ม, ม, าส ม, มาสมาสมาธิตั้งใจไว้ชอบแล้วท่านตั้งทุจริตเห็นโทษของตามอย่างนี้เรียว่าบุคคลผู้ใดมีจิตปราศจากแล้วจากกามมารวมทั้งหลายการทั้งหลายไม่ได้ไม่ได้มารวมจิตใจของท่านให้เรา่าร้อนสะบวนตะวยัย จะเสวตเสริมรื่นรณและใจของท่านปราศจากแล้วจะอักข u เสรทำทั้งหลายคือปราชจากความโลภความโกรธมำลงซึ่งเป็นทำสายที่ว่าอักข u เสริมเคื่องข้อหมอนใจขระท่านก็ตั้งเป็นสัมมาสมาธิอยู่ต่อจากนั้นใจขระท่านก็เข้าก็เข้าถึงควอมเพ่งกำนงประกอบไปด้วยมิสร เพา่อยกจิตขึ้นสูงสัจธรรมเอาจิตยังลงที่จิตเอาจิตยกจิตสู่สัธรรมวิจารณาให้รู้ว่านี้ทุกนี้เหตุเกิดทุกนี้ทำ ม, มนที่แบบทุกนี้คือข้อปฏิบัติใช่หรือทำมาที่แบบทุกวิจารณ์ิจารณาทุนคว้าดูรู้ให้ละเอียดในเหตุในปัจจัยรู้เหตุแลปะปัจจัยของทำทั้งหลาย เมือ่อเป็นผู้ไม่สติยังลงชื่อใจที่จิตแล้วพิจารณาค้นคว้าดอในสัจธรรมมันก็รู้กันขึ้นพ น, นันจิตใจข้งตนก็สบนนงบสนั่นผลคือปิีิละสุดเอ ก, กตายจิตก็เรา ก, ก, กขึ้นตามตามกันะนันเองนี่เป็นความพ้นท่นหนึ่งที่เรียกว่าผสามซานหรือผสมสมาธิ อันประกอบไปด้วยองค์ห้าคือวิตกวิจารจิสุขและองกัคตาพรให้ต น, นู้ชันชันนานในองค์ปฐมฌานหรือองค์ปฐมของสมาธิในเืีองต้อนอย่าประมาทถือจะชันนานก็เป็นผู้เจริญบ่อยถือเริายบ่อยเป็นผู้ไม่ลหลงไหลไม่เกียดชางไม่ปล่อยไว อย่งสติบนที่ใจเอาสติประค้องไว้ที่ใจจะเรือสมัติไถ่พัฒนากรรมฐานอยู่ที่ใจข้นเติมพิจนากายของเติมแน่เราเห็นตามเป็นจริงว่ากายของเราต่อไปด้ว่อยของไม่สะอาดประกานต่างๆคืออยู่ในกายของเราสมผลรับฟันหนังเนื้อเป็นสระดูกป็นต้นและกายของเราที่ประกอบไปเ้วยธาตุทั้งสี่กะดิน่น้ำลมไฟเหล่านี้เป็นต้น เฮาเรื่องเห็นตามเป็นจริงสิวันตีเอียนากายมันเต็มในเห็นเต็มของมาเที่ยงเต็มทุกเป็นมตาเป็นต้นเหล่าเนี่ยเฮีาโทษของกามคุกมอมโมเมาทั้งหลายตัวคอตุวโทษเดือดไทยเพื่ออันตรายเมื่อมันเห็นโทษเห็นไัยเห็นอันตรายอย่างนี้มันจะมีความวันไหวสุดสั้น มาแต่ที่ไหนจิตมันก็ลงเป็นสัมมาสมาธิความตั้งใจไว้ชอบ น, น, นั้นเน่เฮ้ยนาให้รู้เห็นสัจธรรมนี่ทุกข์นี่เหตุให้เกิดทุกข์นี่ารันที่ดับทุกข์นี่คือข้อจับัับให้ถึงธรรมันที่ดับทุกข์ทุกข์คืออะไรมันอยู่ที่ไหนใครเป็นผู้ทุกข์ทุกข์ก็คือความเกิดใจกระจายมันอยที่ไหนความเกิดเคลื่นแฉกเคลื่อนแฉกเคลื่อนใจ ไม่ใช่ตัวเข้าเรามันเกิดเยียนเดียวนี่เด้อแต่เดียวนี่เจ็บเดียนนี้มันจะตายเดียวนี่ใครเป็นผู้เกิดใครเป็นผู้แกใครเป็นผู้เจ็บใครเป็นผู้ตายแม่เห็นผูเกิดจะเห็นทุกข์เห็นผู้แก่จะเห็นทุกข์เ็น้เจ็บจะเห็นทุกข์เห็ผู้ตายจะเหนทุกข์สนั่นแ่ ความโศกความเศร้าความ Android, ร่ำไห้ระ埋ราพันเป็นทุกข์ใครเป็นทุกโศกใครเป็นื่อเศร้าใครใครเป็นทุร่ำไห้ระ埋รำพันถ้าเห็นแล้วก็ชื่อว่าเราเห็นทุกข์นั้นเห็นตัวทุกข์นั้นความไม่สบายกายไม่สบายใจเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นความไม่สบายกายเป็นทุกข์ความไม่สบายใจเป็นทุกข์ เราก็เห็นตัวทุกข์ความเชื่อใจเป็นทุกข์ความคับแค้นใจเป็นทุกข์ถ้าเราเห็นความเสื่อใจว่ามันเป็นทุกข์ความเห็นความคับแค้นใจว่าเป็นทุกข์ก็ชี้ว่าเราเห็นทุกข์เมื่อเห็นสิ่งนี้เป็นทุกข์แล้วเราไม่ชอบทุกข์เราก็อยากไปตั้งบนเป็นไปโทษขบวนกับสิ่งนี้ไป ก้ละต้องวางต้องปล่อยต้องสลัดออกอย่าให้เป็นทุกข์แจใจของตนเพราะสิ้งเอนนี้ท่านว่ามันเป็นทุกข์ย่โดยจิตติธรรมดาของมันแล้วความเกิดมันก็เป็นทุกข์โดยจิตติความแก่ก็เป็นทุกข์โดยจิตติความสจ้นก็เป็นทุกข์โดยจิตติความตายก็เป็นทุกข์โดยจิอืิหังใจของเราเนี่ยมันเลยเป็นสิ้นเลยเป็นปิตติมันมีแตห้างิฐโม่เดือดนี่ เข้ามาสะสมร้อนเต็มจนให้เดอร้อนให้เป็นทุกข์อยู่ร่ำไปให้ท่านให้กาหนดรู้ในทุกข์ตามเราดูในเหตุให้เกิดทุกข์อะไรเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์คือตัวตัณหาความอยากความรักความกหนับความยินดีความหลงในความรักความกนับความยินดีการหาอันเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์คือสวามั่งค่ยความพอใจ ดูในโลกเมามาในโลกมีเรื่องของกรรมนี่เป็นตัวเหตุตัวใจตัวกำรัดเป็นป็นให้เกิดทุกข์ให้ละให้วางให้ปล่อยให้ทำตัวนี้ให้สิ้นไปให้ดับไปเดิมให้เหลือใจของเราจึงจะเป็นสม า, สมาธิความตั้งใจไว้ชอบได้ทำในที่ดับทุกข์คือการละกันหาทำกันหายสิ้นไป โดยให้อข้อปิบัติให้ถึงทำหนที่ดับทุกคือสิ่งสมาธิปัญญ า, ทาเทนีสนูแล้วก็ได้แก่ตัวสิปัญญานี้เองให้รู้เหน็นกามเป็จริงหรือท่านให้เจริญให้มากในองค์ขปสมัสการนั้นประกอบประดยอหหาคือวิสุทธิจาริกิสุขและเอเตกะตาหรือในประสมสมาเทเฮ้ยนาที่เจริสญสาทั้งสี่ คือสติปัจฉานทานมันเองได้แก่การพิจนากายเวทนาจิตและธรรมให้เห็น เ, นนนเป็นอนิจจังทุกขังนาทานเองเมื่อสติน้อมเข้ามาพิจนากายขอยงตนนี่นแหละเมื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องล่างแต่ไปเสร็จลงไปให้เห็นว่าร่างกายของเรานี้เป็นไปเรื่องของไ ม, ม่สะอาดไม่ประการต่างๆขึ้นม่อยู่ในกายนี้คือฝนฝนเล็บวัน น้งเงี้ยเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับทางเสด็ใจต่อเสยใหญ่เสน้อยอาหารหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสด็จน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเมื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมือน้ำมันแค่กอดน้ำมือคือน้ำเยือง แม้ขณะร่างกายพวเราท่านทั้งหลายนีเกล็เหมอนไขมีปากสองข้างเต็มไปด้วยพันธุ์แชาติในประการต่างๆเออมื้อข้าวกะลีข้าวเปือกเปลือเขียวเผือเหลืองเปลกเหลืองนาข้าวสารบุคคลทีมีตาดีพื่ไข่รั้นออกแล้วปัจเจกเทยะเิ่มเห็นไดมว่าเราเนื้อข้าวชะีเรานี่ข้าวเปือกเรานี่เปลือเขียวเรานี่เปลือเหลืองเรานี่นาเรานี่ข้าวสาร แม้กายของเราท่านทั้งหลายนี่ก็ฉันนั้นนั่นเหมือนกันถ้าท่านผู้มีสติเดีมีปัญญาเดอย่าง์ยังลง <c oughs> ที่ใจแล้วพิจารณากายขึ้นมาพอรู้เห็นตามมันจริงก็จะรู้ว่ากายของดราเนี้ยเป็นไปด้วยของไมส่สะอาดเบริประการต่างๆเหมือนกันกับบุคคลผู้มีตาดีแค่แท่นตลอดแล้วก็ย่อมรู้ว่าสิ่งที่นี้สิ่งที่อยู่ได้เท่านั้นอันนั้นเป็นอนั้นอันนั้นเป็นอันนั้นแม้ท่านผู้มีสติเดียร์ยัง ลองใจแล้วน้อมเข้ามาพิจารณากายของตนนี้พอจะรู้เห็นาจเป็นจริงว่ากายเรานี้เป็นไปด้วยของไมส่สะอาดมีประการต่างซึ่งมยใยร่ในกายนี้คือสมผลด้วยฟันหนังนุ่งเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับฟังปืดใจปอดจะใหญ่ไปน้อย อาหารใหม่อาหารกก่าเยื่อในสมองที่สะน้ำาลืน้ำเสด็จน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหื่ยน้ำมันข้นน้ำกาล้ำเหลวน้ำลายมูดน้ำมันไข่ข้อน้ำมูกไม่ไม่ผิดไม่มีวิตกวิตกล้าเคลื่อนประจากหลักเศรษฐธรรมกุศลจริงดังนี้ให้รู้สติน้อมกมาพี่นาไก่เมืองเมืองอย่างเนียประมาทที่นากก่ทุกตนเห็น แสงความไม่สะอาดอยู่แรงๆให้มีสติประคับประความสร้างไว้ที่ใจน้อมสมาพิจารณากายยาเนสยาว่ากันขั้งเขยและประมาทแรงนี้ให้มีสติที่นายเห็นกายกายเป็นภายในบ้างภายในคือร่างกายของเราไมีสติที่นายเห็นกายกายเป็นภายนอกบ้าง ภายนอกคือร่างกายของบุคคลผู้อื่นมีสติผู้ปัญหาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างคออทร้งร่างกายของเราและสร้างกายของบุคคลอื่นก็เป็นอย่างเดียวกันแล้วก็ประกอบอย่างเดียวกันเป็นไปรื่ของสุขประกอบสมบูรณ์ผู้ปาเห็นทำมีสติผู้ปัญหาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นของกายบ้างธรรมดาที่เกิดขึ้นของกายมีแต่สุขประกสิ่งที่สุขประกอบโสโครสิ่งที่เป็นทุกข์เกิดขึ้น ความแกมก็เกิดขึ้นที่กายความเจ็บความตายเกิดขึ้ น, นที่กายเหงื่ทุกกบเกิดขึ้นที่กายสมมติเกิดขึ้นที่กายมีสตืทุนายเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปในกายบา้างมา้าตีดินน้ำลมไปเกิดขึ้ น, นที่กายเห็นที่เสื่อมไปก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็เ ส, สื่อมไปสมแจกเสืส่อมสมจ็บกายก็เสื่อม่างกายเนี่ย เมื่อสติพนนาเห็นธรรมดาคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่มไปในกายบ้างกายไม่มีทั้งเกิดทั้งเสือ่อยู่อย่างนี้แหละเป็นอจิรังไม่อย่างอื่นก็รูส้สติรู้ว่ากายนั้นมีอยู่จะอยู่อย่างนั้นนั้นซึ่งเข้าไปสำรวจรู้โดยเฉพาะรู้แก่เธอตามจริงนล้วมันเป็นอย่างไรน่ะมันก็เป็นอย่างที่ว่าโต๊ะโต๊ะโต๊ะเป็นของไม่เที่ยงเป็นพลึกเป็นอนามตามามาดเด็ก เมื่อสติเข้าไปกำหนดรู้โดยเฉพาะรูปอย่างนี้ครับแต่ว่ารู้สติกระจัดแต่ว่าอาศัยรู้เมื่อเธอพิจารณารู้เห็นตามมันจริงแล้วอย่างนี้ด้วยความในสติปัญญารู้เห็นตามมันจริงด้วยความในสติปัญญาอย่างนี้นี่แล้วอารนุสตโตจะวิหารติย่อมไม่จิตที่ด้วยเธอย่อมไม่ติตที่ด้วยนะ จ, ะจ๊าจิติตโลเกจาริยติ เธอย่อมไม่ยึดถืออะไรๆแม้แต่ น, นิดหน่อยน้อยหนึ่งอยู่ในโลกธรรมะโลกคือความรักใคร่ความพอใจอยู่ในสังขารอากายนี่ไม่ติดเลยไม่มีความรักใคร่ไม่มีความพอใจเลยดังนั้นอย่อมู้สติพื้นนาเห็นกายในกายห น, นึ่งอย่งอยู่อย่างนี้นี่แหละใช่แกตอเนี้ ให้เมื่อเสียน้อมก็มาพิจารณาการเปนเห็นเป็นชาติดินน้ํำลมไฟอย่าเห็นเป็นจัตเป็นบุคคลเป็นตัวตนขาวชายเจ้าท่อนนี้ไม่อเสียน้อมเข้ามาพิจาเห็นการเปนเห็นเป็นจัตจบจัตผีตายแล้วมันก็เปื่อยพลุกังละเอียดลงสู่สภาพเดิมคือดินล่วนไม่มีอะไรในติดในนี้เป็นเครื่องหมายว่าเป็นจัดเป็นบุคคลเป็นตัวตนขาวดังนี้ ให้แต่ตอนนี้ให้เมตสิน้มเข้ามาพิจารณากายของตนให้เห็นตปนของมาเที่ยวเกิดในเรื่องต้นแปรปนในท่ากลางดับทําลายที่หายไปในที่สุดให้เห็นเป็นทุกข์อยู่เปนนิดทุกข์เพราะความเกิดแก่กระจายให้เห็นเป็นอนัตตาคือเป็นของไม่ใช่ตนใช่ของตนใช่ของแห่งตนใช่สัตว์ใช่บุคคลใช่ตัวตนหรือขาวในวิจตุจารสุสิและสุเอกราคาในองค์ปฐมมสสาน ในองค์ของกสงสมาธิท่านให้พุทธนาให้ชนิชํานานเมื่อความชนิชมนานในองค์ผสมมัจจานองผสมของสมาธิแล้วอย่างนี้ก่อนนั้นริสมจารทั้งสองกรอนนับลงย่งยอมเข้าถึงความเพื่อนที่สองเป็นเครื่อนของใจใจนะภายในนั่นขับไล่กิเลสมานออกขับไล่การถลายออกแล้วใจก็มีความคล่องใส เหมือนกับว่าพระจันทร์ที่ปราก จ, จากเมฆพะาะหกเมฆพะละหกปหกปติพระจันทร์ไม่มองเห็นพระจันทร์ทีนี้เมื่อลมมากาจัดปัดตอมเมอพะละหกพ อ, อกแล้วพอเไ ป, ห ม, เไ ป, ห, มไปหมดแล้วเปลี่ยนไปหมดแล้วกระจายหมดแล้วเราก็มองเห็นดวงจันทร์ชัดขนาดเด่เนแน่ถ้าเป็นผู้สนุกสนานในการชื่นนา ในองค์ของผสมฌานหรือเบื้องต้นของผสมสมาธิแล้วก็สามารถกําจัดที่วันทั้งห้าออกได้คือการมฉันพระยาบาทกามฉันกําจัดความพอใจในอา ร, รมณ์ออกได้พระยาบาทกําจัดความอิจฉาพยาบาทอาฆาตมารายที่มีอยู่นะภายในใจออกได้เห็นในลุทะกํากจัดความห่วงเหงาหานอนคือกําจัดความรุ่มหลงความรักความหนักความดีดีกำจัดความลุ่มหลง ความรักความพอใจในโลกความขาดจสจิตปัญญาไม่รู้เท่า อ, าาอัตตอุทัตจะกปุกุ จ, จักสำจัดความคลื่นซ่านําคาญของใจออกได้วิจิษษตรฉาสำจัดความเครื่อแนแครงสงสัยในพระราชนาฏใจในพระพุทในพระธรรมในพระสงฆ์และในสิ่งขุงตนออกได้ทำใจของตนให้เป็นปกติงั่นเชื่อว่าย่อมเข้าถึงความทุกข์ที่สองเป็นเครื่องสงสัยใจณภายใ น, ใน ให้สมาธิเป็นธรรมเดชสุดที่ขึ้นไม่มีนิสตุไม่มีวิจารนี้แต่พิจิรสุขอันเกิดจากสมาธิคือความแน่วแน่ไม่มีความหวันห่นไหวและพึ่งซ <c oughs> ่าอารม์พวกพิจิไปวิราชนาัยนั่เพราะความสุขในพิจิเป็นความสุขสี่ยังหยาบไม่เป็นความสุขทุ่ขม่ะเอียดเหมือนความสุขในสมาธิ เพราะความสึกในสมาธินั้นปราศจากตามบรมและปราศจากอักคค <c oughs> ุรรมวามเป็นผู้เผยอยู่และมีสติสัมปชัญญะสติคือความรูู้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวได้แก่ตปัญญามีความรู้รอบตัวเป็นดวงมีอย่างนั้น ย่อมเป็นผู้สวยจนสุดเบื้อกายนันเบื้องกายและเบื้อนามกายก็นด้ย่อมละทั้งโวดสามทั้งโดดสามขาดคือสักยาทุติยิธิติษาเจรับทาปรมาตนั่นย่อมอาศัยคุณหคือเกิดขาสติสมัญญาและสวยสุด ท่นในเล่าเป็นเหตุพระอริยเจ้าทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญบุคคลผูน้นั้นว่าเป็นผู้เจ้าขามีสติอยู่เป็นสุขเป็นสนี้เป็นวิหารทำเช่นอยู่ของเมื่อท่านผู้รู้ผู้เห็นจักจะทำตามเป็นจริงไม่ในความอันไหนย่อมก็ถือความเพิที่สามเพราะละทุกข์ก็ได้เพราะละทุกข์ก็ได้ อันเองทำทั้งสองในการก่อนคือโสมนัสความยินดีความพอใจอยู่ในโลกความยินดีความพอใจความลุ่มหลงอยู่ในโลกรุ่มหลงในความรักใช่ความพอใจยู่ในโลกโสมนัสความขัดแยองความเจ็บแทงความเกียดกันช่างไม่เป็นให้สิ่งที่ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของตน อาเรมทั้งสองคือความรักความทางได้อาสเดงตกใจจากจิตไม่ไมีอยู่ในจิต่อมเข้าถึงความทุกข์ที่จืดทุกข์ไม่มีทุกข์กไนีมีแต่สติเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์โปรเจกตขาเมื่อเธอสำมาตถาา์ ก, การตั้งใจไว้ชอบการที่จะตั้งใจไว้ชอบก็จะเริมรทั้งสีเธอกายเวทนาจิตและธรรม พิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงการวินาจณิรธรรมคือสัจธรรมทั้งสี่นี้เองตัทุกข์เหตุเกิดทุกข์ทที่ดับทุกข์อจะบัตรให้ถึงทาที่ดับทุกข์นี่นี่เองนม่ใชเอง่าเอมนพอใจสมาทุในอริยมรรคไม่ย่อมเป็นสมมาสมาทุ ความตั้งใจวายชอบอยู่ตลอดเวลาเหตุที่ตั้งเหตุที่ใจจกเป็นสมาสมาธิก็เพราะอาศัยปัญญาพิจารณามาในลําดับต้นแบบเมื่อปัญญาพิจารณาเรื่อนตา ม, มเป็นจริงแล้วปัญญาประกตัดข้าหันกิเลสคว้ภาปันกิเลสมาเป็นลำดับต้นแบบตามขั้นพึญญงของปัญญาตามกําลังของปัญญาถ้าปัญญามีกาลังน้อย แต่เห็นทุกเห็นเหตเกิดทุกเห็นธรรมะที่ดับทุกเห็นข้อตบัดให้ถึงนธรรมะที่ดับทุกน้อยก็าสามารถที่จะทําหั่นคาดฟันสังเรชตามขั้นตามพุ่มของกําลังปัญญานั้นนั้นเองใจก็เป็นสัมมาสมาธิความตั้งใจไว้ชอบตามขั้นตามพุ่มของปัญญาผู้รู้เห็นตาม จ, มจริงนั่นเอง สำมาตมาที่ในระยะมรคนี้ต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องพิจรนาร่ำ ห, หันฟาดฟันกามและสิเลถลายมาเป็นลำดับลำดำับเห็นพวกามเห็นพวกสิเลเหงนเบญญาขันอันนี้คือรูปเวทนาปัญญาสังขาอันนี้เต็มของเมตเที่ยงเต็นทุกเป็นัญตตาเห็นเต็มของมาสวนงมมาเป็นลำดับลำดับเห็นจตจัดสังโยชขาดมาเป็ลำดับห น, นักตามขั้นเป็นของปัญญา ใจก็เป็นสัมมาสมาธิอยู่ตลอดการเวลาไม่อ้างการไม่อ้างเวลาเป็นอาการดีโกททำไม่อ้างการางไม่อ้างเวลาเป็นอาการดีโกอยู่ตลอดเวลาเพราะได้ละสังเกตไปแล้วเช่นพระโสดาบันบุคคลอริยบุคคลท่านละทั้งเลือดสามใจของท่านก็เป็นสัมมาสมาธิอยู่ตลอดการเวลา เพราสังโวชที่ละได้แล้วก็ชื่วว่าได้แล้วดับได้แล้วไม่กลับพุ่ขึ้นมาอีกส่วนสังโวชที่ยังละไม่ได้ท่านพยายามที่จะทำลายและละสังเวชส่วนที่ยังละไม่ได้ส่วนสังโวชที่เสด็จเคื่องรลั้เป็นส่วนที่อยากเสรองเล่นทั้งตะโกะบายะพุนส่วนนรกเติดอสุรกายสเดชานนั้นพระโสดาบันท่านละได้แล้วไป่กลับพุ่มมาอีกแล้ว ท่านมีสติเดียวคือมีสติมนุษย์สติสวรรค์สตินิพพานสติฉะนั้นเป็นผู้เที่ยงจัตเซ น, นันอาเนจโตจัตคือเป็นสัตทเที่ยงต่อสติตอมรตตเป็นต้นนิพพานแต่อนเนจโตจิตเป็นจิตเที่ยงแล้วคือเป็นัมาสมาธิจิตตลอดกาลเวลาไม่อ้างกาลเวลาเป็นอาการอิ เดินเดินนั่งนอ น, นคิดบูมคิดคิดแม้จะทํากิจกานงานอะไรท่านจะเป็นสมาธิอยู่ไม่เสื่อมไม่พลัดหลังมีแต่ก้าวหน้าไปจนถึงสุดสุดไม่เหมือนสมาธิประเทศอื่นส่วนสมาธิประเทศอื่นนั้นการนั่นจึงจะเข้าสมาธิการนี้นจึงจะออกสมาธิอ้าการอ้างเวลาอยู่ เมื่อเป็นสมาธิกที่ประกอบไปด้วยการเวลาอยู่อย่างนี้สมาชิกเพศนั้นเป็นสมาธิกที่ไม่ชวนว้ใจเลยเป็นสมาธิกประกอบไปด้วยสังเวชยังจนเกลียดนุ่องอยู่ยังเสื่อมได้คอยได้แต่ลกเยอะสมาธิก่วนสมาธิกในอารยมรดิไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อห้ำหั่์สังเวช ได้มาเป็นลำดับลำดับตามขั้นคุณของปัญญาเลยะใจก็เป็นสัมมาสมาธิตามขั้นจาพุนสัมมาชิตในอริยมรรคเนี่ยองต์ขั้นเด็ดพระสัมมาสัมพุทธเจา้าสมณะเป็นสัมมาสมาธิตั้งใจไวาชอบจิตตลอดกาลเวลาไม่มีความเสื่อมมันมีความผนังมีแต่เจริญการน่าเั็นไปตกน้ําไม่ไหลแตกควายไม่ไหล สมาธิประเทศดูแลองค์สมเด็จเพราะผู้ทรงกระพากผู้ทรงสุนทรพันริ์ท่านกล่าวสรรเสริญเยี่ยงนักป้าเป็นสัมมาสมาธิตั่งใจไว้ชอบไว้ยถู่และอริยปราดอริยบัณฑิตทั้งหลายย่อมกล่าวสรรเสริญว่าสมาธิประเทศใดให้ผลมาโดยลำดับลำดับด้วยความเมตติปัญญาที่จารณาตามลำดับลำดับดังนี้นายก็เป็นพฐานสาม คือกายในทนาจิตจะทำในทุกในเหตุเกิดทุกในธรรมะที่บัติในข้อติบัติให้ถึงธรรมที่บัติอย่างนี้มาโดยลาดับๆอย่างนี่แหละมีผล ม, มากมีอ น, นิสงส์มากสมาธิประเทศนนั้นจะเสมอด้วยสมาธิประเทศนี้ย่อมไม่นี่นงแทนทึ่จยกสมาธิประเทศนี้ขึ้นว่าอีดำสีธรรมเอนรัตนังกวนไวยต่างอันนี้แหละเป็นรัตนอันประณิชในพระธรรมในพระพุทธศาสนา จาลักษณะอื่นยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วใหเรื่องสัมมาสมาทุทธ์ความตั้งใจร้ายชอบควนศึกษาให้เข้าใจปัญญาศึกษาปัญญาคือความรอบรู้ในกองสังขาร น, นั่นสังขารมันกองอยู่ที่ไหนฮะสังขารเซว่ะของไม่เทื่องมันกองอยู่ที่ไหนอะไรไม่เที่ยง พลันใจของเราตองไปเรื่อยสังขารปัญญาสังขารปัญญาสังขารมันเปลงมันแตกงไงแ น, น, น, น, น, น่ความรักความลลวามโนใจในโลกมันตองที่ไหนความรักโฉมซังความหลงรักหลงซังความหลงรักหลงพอใจโลกมันหลงยังไงที่ไหนมันตองที่ไหนไม่ใช่ต อ, อิทีใจในหลวอานิสงส์ทุกขังนักการมาตองที่ไหนมันก็ตองที่รูปที่นามของเราเนี่ยที่กายใจของเราเนี่ย ท่านก็บอกว่ารูป่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เี่ยงสั้งขันไม่เที่ยงจิตญาณไม่เทื่ยงสิใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดมันทุกข์สิ่งนั้นจัเป็นอนัตตาไม่ใช่ตนไม่ใช่ของตนใช่ของของตนมันตออยู่ที่ไหนความปวดตอทไหนความแกตอนไหนความเจ็บตอที่ไหนความโศกามเศร้าความร่องให้ร่าดร่าพันความทุกข์กายทุกใจมันตอนี่ไหนความช่อยใจมันตอน่ไหนความกระแทกใจมตอน่ไหนนี่ตอขาน มันกองที่ไหนนั่งเมื่อเอ็นสรุปมันกองอยู่ที่ไหนเยอะไรสลุปมาพมอแต่สับทางสูดใจตอดเสีใหญ่สะน้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเอรสมองสับน้ำดีน้ำเสลน้ำเหลืองน้ำเลือน้ำหัอน้ำข้นน้ำาน้เหือน้ำลายน้ามูกน้มันกระซ่อนน้ำมูกมันกองอยู่ที่ไหนสังขารเราเนี่ยฮะยังไม่รู้สังขารมันกอง่ที่ไหนนี่นะถ้าไม่รู้วันนี้ว่าสังขารมันมากองซีเนอริชาเท่านั้น เปนผู้หลงานแรงเป็นผู้มุ่งชนะขาดสติปัญญาไม่รว่ามันเป็นสังฐานเนี่ยนี่แห่ะทัานเรียว่าสังขาราศรษฐาณฐิซึ่งซู่อว่าสังขานทั้งหลายตรานี้มันกองอยู่ที่นี่แล้วจะหาความเพียรแค่ยังยืนได้ไหมันเพื่องไหมมีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขานให้น้อมเข้ามาสิทุกมันกองที่ไหนความเปิดใจจะกายมันกองที่ไหน เวลาไทุกข์ปัญหาปัญญานรรจงที่ไหนไม่ใช่จงที่ใจด้วยทำไปที่ดับทุกข์บรรจงที่ไหนอะไรทจะทำาปที่ดับทุกข์คือตัวปัญญาตัวสติตัวจิบัตให้ถ nope. ึงทำไปที่ดับทุกข์คือส่วสมาธิปัญญามะกรองที่ไหนไม่ใช่จ้ ท, ท, yeah. ท, ท, ท, ที่ตายลปจากใจของเราด้วยเนี่ยตัวตัปัญญาซึ่งเะ็นโทษบัตให้ถึงทำไปที่ดับทุก ที่ดับทุกมันกองอยู่ทไหนมันก็กองอยู่ที่ใจของเรานี่ดูแลปัญญาความรอบรู้ในกองสถานทั้งหลายท่นานไม่รู้อย่างนี้